FM 89.5 m ม 89. z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีอ m u t t Farm s h ฟาร์ชอปยินดีดต้อนรั บ, รบค่ะ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 Fm 89.5 m ม z นะคะก็หมุนคลื่นมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะวันนี้มีเรื่องราวของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะที่มีกระแสของการรักโลกมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกในบ้านเราตอนนี้ก็ตื่นตัวนะคะต่างก็พากันที่จะออกมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ ล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังคะก็ไปถึงธุรกิจร้านกาแฟค่ะในรูปแบบของ specialty coffee ที่ขายกาแฟหรูหรานะคะแต่ว่าสร้างความแปลกใหม่โดยนะคะการันตีว่าเมล็ดกาแฟที่คัดสรรมาจะต้องมาจากแหล่งกาแฟอาราบิก้าพิเศษนะคะถึง 5% ปซนะคะ นอกจากว่าจะเป็นเรื่องของ Product นะคะที่เป็นเรื่องของการรักโลกนะคะโดยการใช้กระดาษหรือว่าชานอ้อยแล้วนี้นะคะก็ยังเน้นย้านะคะในเรื่องของการรักโลกโดยการลดการใช้ถุงพลาสติกแก้วพลาสติกลงนะคะแล้วก็คนที่จะเป็นลูกค้านะคะที่จะเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คำนึงถึงความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมค่ะ โดยร้านกาแฟ The Coffee Academy นะคะก็ได้นำแก้ว Take away ซึ่งเป็นแก้วที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลนี้นะคะมาใช้ก่อนแต่ต่อมานี่นะคะก็มีการชนิดที่ว่าถ้าหากว่าใครซื้อกาแฟนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนำแก้วนะคะมาเองนะคะทางร้านก็จะมีส่วนลดให้ 10% หรือ 5% นะคะก็แล้วแต่ร้านคาไปนะคะนี่ก็เป็นกระแสของการรักโลกนะคะที่ก็ มีในบ้านเราเนี่ยฮะมาค่อนข้างอ่าหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ได้รับการตื่นตัวมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างนี้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่มีไอเดียดีๆนะคะมาบอกเล่าให้ฟังกันเพราะว่าตอนนี้นี่นะคะก็มีร้านอาหารบางบางร้านนะคะที่ให้ลูกค้านี่นะคะนําปิ่นโตนี่นะคะมาใส่อาหารกลับบ้านได้นะคะโดยนี่นะคะเมื่ออ่าลูกค้านะคะ ใช้ปิ่นโตนะคะก็จะคิดค่ามัดจำเพียงแค่200บาทแต่ถ้าลูกค้านำปิ่นโตกลับมาคืนทางร้านก็จะคืนค่ามัดจำไปนะคะ เราก็จะไม่ใช้ถุงพลาสติกในการใส่อาหารนะคะแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้ปิ่นโตแทนนะคะซึ่งปิ่นโตนี่ก็มีมาแต่นานแล้วนะคะถ้าหากว่าใครยังเป็นเด็กๆสมัยที่ต้องหิ้วปิ่นโตไปโรงเรียนนะคะก็คงจะจําได้แต่ตอนนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ที่สถาบันค้นคว้าทางด้านผลิตภัณฑ์นะคะก็ได้มีการคิดค้นปิ่นโตชั้นอ้อยค่ะคุณผู้ฟังน่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นปิ่นโต2ชั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครคิดว่าเออปิ่นโตเนี่ย จะไม่สะดวกก็อาจจะใช้เป็นกล่องข้าวนะคะแต่เป็นกล่องข้าวชั้นอ้อยแล้วเขาก็มีช้อนมีซ่อมมีตะเกียบนะคะใส่กล่องให้อีกต่างหากนะคะสำหรับคนที่เวลาไปรับประทานอาหารและต้องการใช้สิ่งของที่เป็นส่วนตัวเองหรือว่านําไปใช้ในต่างประเทศนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถาบันค้นคว้า พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร น, นะคะก็ได้เป็นผู้ผลิตขึ้นราคานี้ไม่แพงเลยนะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจน ะ, ะก็สามารถาไปซื้อหานะคะได้เลยนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของร้านอาหารที่ลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็การลดใช้หลอดพลาสติกลงนี่นะคะ ก็เป็นเรื่องของการรณรงค์ให้ลูกค้าเล็งเห็นความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของภาชนะกล่องบรรจุพันธุ์ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้นะคะตอนนี้ที่ดิฉันเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วว่านิยมนะคะทํามาจากชานอ้อยนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของหลอดกระดาษนะคะตอนนี้ก็บ้านเราก็กําลังอ่า เอามาใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในต่างประเทศก็มีการใช้นานแล้วนะคะอย่างเช่นสตาบักนะคะในสาขาต่างประเทศก็จะมีการนาเอาหลอดกระดาษมาใช้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเทรนด์รักโลกนะคะที่น่าจับตามองเนื่องจากว่า ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคกว่า 85% นะคะมีความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอีก5ปีข้างหน้านะคะถ้านะหากว่าใครยังทําธุรกิจแบบเดิมๆอยู่นี่นะคะที่ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยคงต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าในอีก5ปีข้างหน้านี้นะคะเทรดเนด์ในเรื่องของการรักโลกเนี่ยจะมีมากกว่านี้อีกนะคะก็ในราวๆปี2565 นอกจากนี้แล้วนะคะผู้บริโภคยังเลือกที่จะซื้อสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะกว่า50อร์เซนะคะแบรนด์หรือว่าตราสินค้านะคะที่จะใช้ก็จะเป็นแบรนด์ที่รักโรคนะคะอย่างเช่นเครื่องสำอางนะคะก็จะต้องเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ทาการทดลองกับสัตว์นะคะหรือจะเป็นผ้าขนสัตว์ที่เป็นหนังสัตว์แท้ๆนะคะขนแท้ๆตอนนี้นะคะถ้าหากว่า นำไปใช้ในบางประเทศนะคะอาจจะต้องถูกห้ามนะคะและถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะต้องมองหาบรรจุพัธุ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้มากขึ้นเพราะว่ากว่า 78% ดของผู้บริโภคนะคะจะเลือกซื้อสินค้ามาจากบรรจุภัธุ์ที่ดูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอนนี้ที่ฉันเห็นนะคะคนนำเอาใบตองนะคะมาห่อขนมนะคะก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมคะที่เราเห็นกันอย่างคุ้นเคยแต่ตอนนี้ก็จะนำมาใช้แทนพลาสติกที่เวลาเราซื้อเคเขาจะหอ่หอด้วยพลาสติกเป็นชินช้นชิ้นใช่ไหมคะก็จะมีคนนำเอาใบตองมาห่อเป็นชินช้นชิ้นแล้วก็จัดวางอย่างสวยงามนะคะนี่ก็เป็นเทรนด์ลักโลกที่น่าสนใจคะ่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของทาง7ซ l ว v e n นะคะก็จะงดแจกถุงพลาสติกแล้วนะคะภายใต้โครงการ7ซ o ว r e โกกรีนะคะโดยจะเริ่มนะคะในวันที่7นะคะของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะคะทาง7ซ l ว v e n ก็จะลดเลิกการใช้ถุงพลาสติกที่ร้านสะดวกซื้อทุกแห่งเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยคะ่ะหลังจากที่ ะะหลังจากที่5ศัพท์ ส, สินค้าบางแห่งไม่ว่าจะเป็นเซ n ทัลดูโมนะค ะ, ะ, คะก็ได้ประกาศงดแจกถุงพลาสติกแล้วนะคะในะในบางวันนะคะในส่วนของ7 e เ e ่นอเองนะคะในวันที่1มกราคมปี2020นะคะร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะค ะ, คะก็จะลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะวันที่22ตุลาคมนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยนะคะที่คนพบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี้นะคะทำให้เด็ก นับล้านคนในอาเซียนนี่นะคะกลายเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศฟิลิปปินส์อินโดนเีเซียและมาเลเซียค่ะที่ทั้งสามประเทศนี้มีขนาดเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตแต่ว่าเด็กๆต้องกินบะหมี่สำเร็จรูปและอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะก็สืบเนื่องมาจากพ่อแม่ทำงานไม่ค่อยมีเวลาและไม่ค่อยให้ความสาคัญกับเรื่องนี้นะคะโดยเว็บไซต์เดอะสตนะคะได้ นำเสนอเรื่องนี้นะคะผ่านทางคุณฮัสบุลลาะทาบรีนีนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในอินโดนีเซียที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว AFP ว่าพ่อแม่มักจะเชื่อว่าการทำให้ลูกของตัวเองอิ่มท้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ไม่ได้คิดจริงจังว่าควรจะมีสารอาหารอะไรที่จำเป็นและสำคัญต่อเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแคลเซียมหรือไฟเบอร์ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแห่งยูนิเซฟคุณบุณิมูตังก้าก็บอกว่าเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าครอบครัวมักจะจัดหาอาหารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่แพงแลง่ายต่อการพร้อมกินนะคะก็คืออาหารสมัยใหม่นั่นเองนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้นะคะบะหมี่สาเร็จรูปนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่มีสารอาหารค่อนข้างต่ำนะคะแต่ว่าอินโดนีเซียนะคะเป็นประเทศที่มีผู้บริโภคขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกกินบะหมี่สาเร็จรูปเทค่ะกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมากที่สุดนะคะรองจากประเทศจีนและบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแบรนด์สุพปอมินะคะที่เข้ามาในอินโดนีเซียในปี1968 ตอนนี้เป็นอาหารที่สำคัญมากนะคะของชาวอินโดนีเซียไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นอาหารที่ง่ายที่มาทดแทนอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นเนื่องจากว่าเอามาต้มแล้วก็ปรุงรสนะคะก็สามารถที่จะทำให้อิ่มท้องได้นะคะอาจจะเติมผกักเติมไข่เติมเนื้อนะคะก็รับประทานได้เลยนะคะและที่สำคัญก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆชาวอินโดนีเซียด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะมามีกึ่งสำเร็จรูปสุภูมิแมีวก็ยังมีอินโดฟู้ดนะคะที่คองสัดส่วนตลาดอินโดนีเซียถึง 72% นะคะหรือจะเป็นนิดชินนะคะที่ออกมาแข่งขันแล้วก็ให้รสชาติแปลกๆสร้างสรรค์ให้กับผู้บริโภคได้เลือกกินเช่นกันนะคะแต่ที่นี้นะคะประเทศที่นิยมทานบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่อินโดนีเซียนะคะคุณผู้ฟังยังมีประเทศไทายติดอันดับกับเขาด้วยนะคะโดยประเทศนะคะที่ทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุดในโลกก็คือประเทศจีนนะคะฮ่องกงนะคะ รองลงมาอันดับสองก็คือประเทศอินโดนีเซียอันดับที่สามคือประเทศอินเดียอันดับที่สี่คือญี่ปุ่นนะคะอันดับที่ห้าคือประเทศเวียดนามนะะอันดับที่6คือประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ฟังค่ะนิยมทานว่ามีกึ่งสำเร็จรูปด้วยนะคะอันดับที่เจ็ดคือฟิลิปปินส์อันดับที่แปดคือประเทศเกาหลีใต้ อันดับที่9คือประเทศไทยนะคะทานอยู่ทั้งสิ้นต่อปีก็ไม่มไม่มากไม่น้อยนะคะสล้านซองต่อปีเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและอันดับที่10ก็คือประเทศบราซิลนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะที่มีสารอาหารค่อนข้างต่ำแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยชอบให้เด็กๆทานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง10อันดับนี้นะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศในอาเซียนนั่นเองนะคะ องค์การสหประชาชาตินะคะบอกไว้ในวันอาหารโลกนะคะเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะว่าอาหารเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงมีและสามารถจัดหามากินเองได้แต่นะคะ มันอาจเป็นสาเหตุของความไม่เท่าเทียมแล้วก็เลือกปฏิบัติได้เช่นกันนะคะดังนั้นนี่นะคะเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบในสัดส่วน1ใน3รายมีการเจริญเติบโตที่ไม่ค่อยดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานมามีกึ่งสำเร็จรูปนะคะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารไปด้วยนะคะการกินอาหารที่ไม่ได้สารอาหารเพียงพอนั้นทาให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 5ขวบแค่แกรนมากถึง149ล้านรายค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีร่างกายผอมเกรงเหี่ยวแห้งนะคะอยู่ที่ 49.5 ล้านรายนะคะในขณะที่มีเด็กที่อ้วนมากเกินไปในสัดส่วนอยู่ที่40ล้านรายนะคะ เมื่อดูรายเปอร์เซ็นต์นะคะก็พบว่าเด็กที่กินอาหารไร้สารอาหารนี่นะคะค่อนข้างมากๆเลยนะคะก็จะเป็นนะคะเด็กที่มาจากประเทศที่ค่อนข้างจะายากจนนะคะอย่างเช่นนะคะประเทศ ติมอรเลสเตนะคะ 57% นะคะฟิลิปปินส์ 42% อินโดนีเซีย 59% ปาปัวนิวกินี 65% ไทย 23% จีน 18% เวียดนาม 30% และเมียนมา 36% ด้วยกันค่ะดังนั้นนี้นะคะการขาดสารอาหารขาดพภชนาการที่ดีนี้นะคะทางยูเนสโกโดย เ e นรีส์ใต้ H4 ซึ่งเป็นกรรมการบริหารกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติบอกว่ามาจากประเทศที่ยากจนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศที่มีสงครามค่ะคุณฟังค่ะดังนั้นนี่นะคะความท้าทายของยูนิเซฟนะคะก็อยู่ที่ความหิวโหยแล้วก็การขาดสารอาหารนะคะที่เด็กๆนะต่างเผชิญภาวะที่ทำให้เขาร่างกายเนี่ยแคลกแกน พายพอมและตัวเล็กเกินไปจึงทำให้สมองนะคะไม่ได้รับการพัฒนายอย่างเต็มที่เด็กๆควรจะต้องรับประทานนมไข่เนื้อปลาผักและผลไม้อย่างเพียงพอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนนะคะก็จะทำให้เขาได้สารอาหารนะคะที่จะไปเลี้ยงนะคะสมองแล้วก็ทำให้ร่างกายเจริญเติบโ ต, ตขึ้นได้ค่ะแต่ว่าทางสาธาติ เทค่ะแต่ว่าทางสหประชาชาติเองนะคะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่าในวันที่16ตุลาคมซึ่งเป็นวันอาหารโลกค่ะ ผ่านมานะคะเขาก็จะต้องทำรายงานนะคะนำเสนอนะคะให้พบเห็นว่าในประเทศไทยแล้วก็ประเทศในเอเชียแปซิฟิกนี่ละคะ่ะยังมีปัญหาเรื่องเด็กๆที่กินอาหารขาดสารอาหารขาดคุณค่าทางด้านพภชนาการที่ดีนะคะเด็กๆควรได้สารอาหารที่เพียงพอที่จะทำให้สมองร่างกายและจิตใจเติบโตอย่างสมบูรณ์ะคะ่ะ และเมื่อโตอขึ้นก็จะกลายเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นี่นะคะคนสูงอายุก็มีค่อนข้างมากส่วนเด็กเกิดใหม่ก็น้อยลงนะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะเป็นแชมป์อันดับโลกนะคะในการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับที่9นะคะในระดับหลักพันล้านห่อต่อปีนี้นะคะยังมีปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ขวบ ที่ควรจะต้องให้เขารับประทานอาหารน่ะให้ครบนะคะให้ครบหมู่นะคะครบ5าหมู่นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนานะคะในส่วนของครอบครัวและสังคมต่อไปค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจากรายการกันนะคะก็มีข่าวจากสายการบินแอร์แคนาดา มาฝากนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เขาจะยกเลิกการใช้คำเรียกผู้โดยสารว่า lady and gentleman สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษแล้วนะคะโดยจะมาใช้คำว่า every body หรือว่าทุกคนแทนเนื่องจากว่าสายการบินแอร์แคนาดาตระหนักถึงเพศสภาพของผู้โดยสารนะคะแล้วก็เพศสภาพนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่ทันสมัยนะคะทำให้เห็นถึงความคิด เรื่องความหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเด็นไปทั่วโลกแล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะแอร์ไลฟ์ฟอรอเมริกานะคะก็ได้มีการออกมาประกาศนะคะให้สายการบินต่างๆใน สหรัฐอเมริกานี้นะคะเพิ่มตัวเลือกในการระบุเพศสภาพของผู้โดยสารนะคะอย่างเช่นไม่ระบุเพศหรือไม่มีความต้องการที่จะเปิดเผยเพศสภาพของตัวเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงนะคะของโลกนะคะแทบจะทุกวันเลยค่ ะ, ค, ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องแบรนด์นะคะหรือว่าตรายี่ห้อสินค้านั่นเองนะคะเพราะว่ามันใกล้จะปลายปีแล้วนะคะหลายๆ หน่วยงานนะคะก็ได้มีการศึกษาเรื่องราวต่างๆงานวิจัยนะคะเมื่อเมื่ อ, อตกผลึกแล้วนะคะก็จะนำมาเสนอนะคะให้ทราบกันอย่างเช่น CNBC นะคะก็ได้มีการศึกษาแล้วรายงานออกมาว่าตอนนี้ f a c e b o o นะคะได้กลายเป็นแบรนด์ตกอันดับ1ิไปแล้วนะคะเนื่องจากว่านะคะ เนื่องจากว่ามีแบรนด์เกิดใหม่นะคะขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่ติดหูนะคะแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะเรียกว่าเป็นเบสโกลเบิร์นแบรนด์ะคะซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะคะของปีนี้2019นะคะก็พบว่านะคะมีการจัดอันดับน ะ, ะใน10นะคะไม่ปรากฏ f a c e b o o นะคะแต่ปรากฏว่า Apple นะคะก็ยังคงครองอันดับที่1อยู่อันดับที่2คือ Google อันดับที่3มอเมซออันดับที่4ไมิโครซอฟท์และอันดับที่5 Co โคคาโคลาทั้ง5อันดับนี้นะคะเป็นแบรนด์มาจากสหรัฐอเมริกานะคะส่วนอันดับที่6คือซัมซุงอันดับที่7 t o y โตโยต้าอันดับที่8เมเซเดสเบน์ อันดับที่9 McDon ร์คโนและอันดับที่10 Disney นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของแบรนด์10อันดับที่ถือว่าเป็นเบสนะคะดีที่สุดนะคะของโลกนะคะเบสโกเบอร์แบรนด์นะค ะ, Brand, ะ, คะเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดของโลก10อันดับ มีการจัดอันดับในปีนี้นะคะในขณะที่เฟซบุ o กนะคะตกมาอยู่ที่อันดับที่14นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่า Facebook นะ่ยมีเรื่องราวนะคะที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนักในเรื่องของลุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทําให้เกิดความหวาดระแวงขาดความเชื่อมั่นขาดความน่าเชื่อถือของผู้ใช้งานที่มีต่อแบรนด์ค่ะจึงตกอันดับ10นะคะหใน10เป็นอันดับที่14 ะะแต่ว่ากระแสของ Apple กับดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือ privacy นี้นะคะทางาต่างชาติเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีแบรนด์เข้ามาใหม่นะคะอย่างเช่น Uber นะคะหรือว่าจะเป็น d ด r e j o i c e นะคะแบรนด์ Mastercard นะคะแล้วก็แบรนด์ที่เป็นเทคโนโลยีนะคะคลองอันดับ ต่อเนื่องนะคะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ Apple, Google, Amazon นะคะส่วนแบรนด์หรูนะคะก็คือ Gucci นะคะเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะแต่แบรนด์ที่เพิ่มนะคะก็คือหลุยวิกตองและชาแ e l นะคะโดย3อันดับที่เป็นแบรนด์หรือว่าตาสินค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปีนี้ก็คือ Mastercard นะคะเพิ่มขึ้น 25% เส้า็บอกว่าอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะคุณฟังรองลงมาก็คือเซล f o r c e นะคะ อเมซอนนะคะ น, นี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่เมื่อย้อนหลังดูนะคะก็จะพบว่ามีเพียง31แบรนด์เท่านั้นนะคะที่ยังคงติดอันดับนะับตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2019นะคะก็คือดิสนีย์ไนกี้และกุช c ี่นะคะส่วนแบรนด์ที่ตกอันดับไปนะคะก็คือโน k กีย t v มทีวีนะคะส่วนแบรนด์ที่ยังคงรักษาท็อป10ไว้อย่างต่อเนื่องก็คือ Microsoft c o ค a า o l ลนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของแบรนด์นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรานะติดหูนะคะถ้าภาพลักษณ์ที่ดีเราก็จะใช้สินค้านานแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะสงสัยว่าวิธีการจัดอันดับแบรนด์ของ i ิน e ตอร์แบนดนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ที่นำมาวิเคราะห์ใช่ไหมคะเขาก็จะศึกษาจากรายได้ทางการเงินของแบรนด์ศึกษาบทบาทของแบรนด์ที่นำไปสู่การตัดสินใจซื้อแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์ค่ะทั้งสามอย่างนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของการสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์นะคะให้เราเนี่ยเมื่อซื้อแล้วนะคะเราก็กลับไปซื้อสินค้านั้นอีกนะคะความต้องการนะคะ ของลูกค้าที่กลับไปซื้ออีกเนี่ยถือว่าเป็นความต้องการที่ยั่งยืนแล้วแบรนด์ก็จะได้กำไรนั่นเองค่ะสำหรับการจัดอันดับแบรนด์หรูในปีนี้นี่นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะคงจะมองว่าเอน่าจะเป็นกุชชี่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะโด่งดังเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่ใช่เลยนะคะแบรนด์หรูในปีนี้นะคะอยู่ที่หลุยวิกตองคะ่ะเนื่องจากว่า มีมูลค่านะคะค่อนข้างสูงที่สุดเลยในโลกนะคะคือ 47,200 ล้านเหรียญสหรัฐแบนรนด์ลุยวิกตรงนี้นะคะได้รับการจัดอันดับแบรนด์หรูในปีนี้เนื่องมาจากว่าเขามีคอ r r เ c t ชันใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้หยุดนะคะแค่ออกคอ r r เรคชันหนึ่งแล้วก็หยุดแต่ว่าตอนนี้นี่นะคะถ้าถ้าใครนะคะติดตามแบรนด์ นี่นะคะก็จะพบว่านะคะองค์คมีคอลเลคชันใหม่ๆออกมาแล้วก็สวยๆน ะ, ะน่าใช้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่เป็นการจัดข้อมูลการจัดอันดับแบรนด์หรูนะคะพบนะคะว่าแบรนด์หรูที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกประจำปีนี้คือปี2019นี้นะคะก็คือแบรนด์หลุยส์วิกตงค่ะขึ้นอันดับที่1นะคะด้วยมูลค่า 47,200 ร้าันเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง15เปอร์เซ็นจากปีที่แล้วนะคะ ปัจจัยความสำเร็จนะคะก็คือการสร้างอะไรใหม่ๆให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอให้ผู้บริโภคเห็นแล้วลองว้าวนะคะแล้วก็นะคะไอเดียนะคะของ Creative นะคะของอัป o a d ดเนี่ยก็ยังคงสร้างความตื่นเต้นนะคะให้กับแบรนด์ได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็บางครั้งราคานี่นะคะคุณผู้ฟังคะ่ะเอื้อมถึงนะคะสัมผัสได้นะคะ ส่วนอันดับที่สองนะคะก็ยังตกเป็นของช n แน l นะคะมูลค่า 37,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วตามมาด้วย a m ร์เมนะคะในอันดับที่3นะคะ 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันค่ะแต่ถ้าหากว่าจะดูกันเติบโตแล้วนี่นะคะแบรนด์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดนะคะก็คือแบรนด์แ t ง a ลร e องนะคะแล้วก็ รองลงมาคือ d r นะคะมีการเจริญเติบโตอย่างที่เรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะคะก็คือแซงโลรองและก็ d ีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของแบรนด์หรูนะคะโดยที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะคะ0ิ 10, 10อันดับคุณผู้ฟังก็อยากทราบใช่ไหมคะอันดับที่1เราทราบไปแล้วก็คือแบรนด์ลุยวิกตงอันดับที่2ชาแนลอันดับที่3ามอเมสอันดับที่4 g กุชชี่อันดับที่5โรล อันดับที่6คาเทียอันดับที่7เบอร์เบอรี่อันดับที่8ดิอออันดับที่9แซงโลลองหรือชื่อเดิมก็คืออีฟแซงโลลองและอันดับที่10บคือปราดา ทีนี้เราไปที่แบรนด์จีนกันบ้างแน่นอนที่สุดนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะต้องนึกถึงชื่ออาลีบาบาก่อนนะคะอาลีบาบาก็ถือเป็นแบรนด์จีนที่มีมูลค่าการเจริญเติบโ ต, โตสูงมากเป็นโปรติการถึง 30% ด้วยกันในปี2019นนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศ สาธารณารัฐประชาชนจีนจัดชะลอตัวนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่านะคะการจัดอันดับสูงที่สุดก็ยังคงอยู่ที่อีบาบานั่นเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็มีกำลังซื้อมากขึ้นนะคะและทัศนคตินะคะของผู้บริโภคจีนเนี่ยก็ตื่นตัวนะคะต่อแบรนด์จีนนะคะที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นนี่นะคะอีบาบานะคะก็ จึงเป็นแบรนด์นะคะที่มีมูลค่าสูงที่สุดแล้วก็จเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์นั่นเองนะคะถ้าหากว่านะคะพบการจัดอันดับร้อยอันดับนีนะคะของแบรนด์จีนนะคะที่มีมูลค่าสูงที่สุดแล้วนี่นะคะแน่นอนที่สุดเลยคะ่ะอาลีบาบาเนี่ยถือเป็นอันดับที่หนึ่งะคะรองมาด้วยเทนเซ็นนะคะแล้วก็ต่อด้วย ICBC นะคะ แล้วก็หัวเว่ยนะคะอันดับที่6นะคะเราก็จะเริ่มคุ้นกับแบรนด์จีนนะคะในหลายยี่ห้อนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยเซี่ยมี่นะคะในหลายอย่างนี่นะคะที่เราจะคุ้นเคยแต่ถ้าเป็นแบรนด์โลกนะคะแบรนด์โลกซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องแต่งกายนะคะของปีนี้นะคะ 2019, นะคะแน่นอนที่สุดค่ะก็ยังเป็นแบรนด์ Ni ก้ที่ครองแชมป์อยู่นะคะ ตามมาด้วยซารานะคะการที่ n นกี้ได้รับการครองแชมป์แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดโดยการจัดอันดับของ a อ p a r e l 50นะคะของปีดีนะคะ2019ที่จัดโดยแบรนด์ Finance นะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะคะได้รายงานว่าในปีนี้ n นกี้ยังคงรักษาอันดับหนึ่งของแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเอาไว้ได้ ในมูลค่า 3,2400 ร้ล้านเหรียญสหรัฐโดยเพิ่มขึ้นนะคะซในปีที่แล้วนะคะเพราะว่าแบนด์ฟแนนซ์ซึ่งเป็นบริษัททางด้านการเงินนี้นะคะเขาจะเอาปัจจัยหลายๆปัจจัยนะคะมาประเมินนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลประกอบการธุรกิจอัตราค่าลิขสิทธิ์แล้วก็การคาดการไรายได้ในอนาคตนะคะก็จะเอามาประเมินก็พบว่า Nike ้ค่ะเป็นแบรนด์ที่มีการเจริญเติบโตในตลาดประเทศจีนยุโรปตะวันออกกลางและอฟรฟกา นะคะยิ่งที่ผ่านมานะคะก็จะมีการทำแคมเปญโฆษณานะคะที่ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะไม่ว่าจะเป็น just do it นะคะก็ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จนะคะ และนักวิเคราะห์ของแบรนด์ Finance บอกว่าการทำการตลาดที่โดดเด่นของในกี้ก็ทำให้ตลาดเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬามีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะสื่อดึงดูดทางด้านอารมณ์นะคะแล้วก็สื่อสารกับผู้ริโภคได้เป็นอย่างดีค่ะอันดับที่สองก็ยังคงเป็นซารา์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะที่ได้รับความนิยม 18,400 ด้ล้านเหรียญสหรัฐนะคะอันดับที่3ก็เป็น Adidas นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์เสื้อผ้าทางด้านกีฬานะคะแล้วก็อันดับที่4ก็คือ H&M แแล้วก็แบรนด์คาเทียนะคะก็อยู่ในอันดับที่5นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของแบรนด์หรือตาสินค้าที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราศึกษาไว้นะคะเผื่อว่าในอนาคตนะคะผู้ประกอบการไทยจะสร้างแบรนด์นี้นะคะก็คงจะต้องทาให้เกิดการจดจำ แล้วก็มองหาแคมเปญการตลาดนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สร้างความจงรักภักดีให้กับผู้บริโภคที่มีต่อสินค้านั้นนะคะอย่างยั่งยืนนะคะก็จะทำให้แบรนด์นั้ น, นะะเมื่อเกิดใหม่ก็จะไม่ล้มหายไปจากวงการนะคะก็จะเป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสร้างสรรค์ น, นะคะ อุปกรณ์หรือว่าสินค้ า, ต, าต่างๆออกมาใหม่ๆอยู่เสมอนะคะให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้นะคะนี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะคะในการที่จะทำให้สินค้านะคะพัฒนาแล้วก็ออกไปสู่ตลาดโลกได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้กับคุณผู้ฟังหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย